ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องบา ร, รมีสืบต่อกันมาตามลำดับก็มาขยายวิริยะบา ร, รมีออกไปค่อนข้างพิสดารมากจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตทุกเรื่องเนี่ยความเกียดครานมันกลายเป็นอุปสรรคอยู่มากบ้างน้อยบาง เราลองดูว่านักเรียนนักศึกษาเวลาต้องการจะเข้าเรียนเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นมีการวิ่งเต้นร้องค่มร้องให้เสียเงินเสียทองขอให้ได้เรียนเท่านั้นเองเราดูแล้วคล้ายๆเธอจะขยันเหลือเกินอยากเรียนเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปัญหาที่หนักใจที่สุดในฐานะที่เป็นครูสอนนักศึกษาบรนานเลืเน คือขี้เกียจเรียนสั่งให้ทำงานก็ไม่ทำสั่งให้รายงานก็ไม่รายงานสั่งให้ค้นคว้ามาก็ไม่ค้นคว้าทำก็ทำอะไรมาลวกลวกกว่าจะได้ศึกเรื่องนี้ต้องจำที่จาใจกันเองก็ชอบคนนะตอนไม่ได้เข้าไปก็อยากจะเข้าไปทุกวิถีทางขอให้ได้เข้าไปให้ได้เพราะไม่ได้เข้าไปแล้วร้องโหมร้องไห้กันเป็นการใดพอเข้าไปจริงๆไม่ทา ขี้เกียแม้แต่คนที่ตั้งใจจะบวชเนี่ยจะศึกษาและเรียนบวชมาเพื่อศึกษาและเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแต่พอเธอบวชค่ะจริงเนี่ยปรากฏว่ายากที่จะให้เธอมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องจริงๆมันก็รูปแบบของการวิ่งแข่งมาราธอนนะคราวนั่นเอง ถ้าเราที่ประสบความสาเร็จทางการศึกษาก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีทางการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่งตางๆก็ดีมันส่วนน้อยเท่านั้นเองที่อยู่บนยอดแหลมมงเจะดีส่วนใหญ่มันก็อยู่พื้นล่างวันจึงได้นำเสนอขยายเรื่องวิริยะไว้มากและไม้แต่ในโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทอง อาจารยเคยเป็นวิทยากรตั้งแต่ตอนต้นๆนะฮะตั้งแต่โครงการแผ่นดินทำเป็นทองประรบพระปฐมบ ร, รมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งว่าเราจะครองแผ่น ด, ดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามก็นำมาขยายเป็นโครงการแผ่น ด, ดินทำแผ่น ด, ดินทองโดยการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยนะคร อาตมาได้เคยรับอาราธนาไปบรรยายในที่ไปชุมกัววิท ย, ทยกรนะที่โรงแรมเมืองได้ว่าตั้งปัญหาถามวิทยกรเหล่านั้นว่าแผ่นดินทรรมแป่นดินทองนะี่คุณจะทำก่อนหรือจาทองก่อนก็ไม่มีใครตอบไปนะค เพราะเป็นการถามที่ต้องการย่าทีบายก็ไม่ประสงค์จะให้ตอบคือตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วก็เลยเล่านิทานให้ฟังแล้วก็คิดตัวเองว่าทำควรจะมาก่อนหรือทองควรจะมาก่อนก็เล่าเรื่องเรื่องทองมาก่อนเพราะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ย เป็นเพื่อนผูงกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เที่ยวสนุกสนานแบบไปรุ่นทั้งหลายไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นลักเล็กขโมยน้อยแต่รู้สึกมันก็สนุกดีอ่ะแล้วก็พ่อแม่ก็ยกย่องชื่นชมที่ลูกไปลักขโมยมาได้เลยก็ตะเลาะ ก, กันไปใหญ่ในที่สุดมันก็คุมกันเป็นกองโจรจนถึงจุดหนึ่งก็ไปปล้นล้า คราวหนึ่งก็ไปปล้นกองคาราวานเกวียนคาราวานเกวียนนี่คนก็เยอะเหมือนกันคนก็เรียกว่าเป็นร้อยอะแต่ว่าไม่ใช่นักรบเท่านั้นเองพวกกองเกวียนก็ต่อสู้กันไปนรักษาสมบัติกันไปเองพวกโจรก็โลภอย่างแรงเมื่อต่อสู้ขัดขวางก็โกรธแรงเหมือนกันและในที่สุดก็บาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายผู้ใเจ้าพวกกองเกวียน ที่สู้ไม่ได้ก็หนีไปมันก็มีแต่คนตายกับคนบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่ก็ตายอ น, นะฮะตรงลงว่าคนเหล่านั้นก็ไปเปิดดูตามเกวีย น, นต่างๆก็เจอทรัพย์สมบัติในมหาศาลมากความโลภมันก็เกิดขึ้นมีความรู้สึกต้องการได้มากคือความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นต้องการจะได้มากๆแล้วทุกคนก็อยากได้มาก มันแน่นอนนะฮะคือถ้าอยากได้มากหมดทุกคนมันก็จบลงหาข้อยุติได้ยากแต่ว่าในกรณีนี้จบลงโดยไม่มีใครได้นะในสุดก็พวกเพื่อนฝูงที่เป็นโจรมาด้วยกันต้องทะเลาะ ก, กันเองเพื่อแย่งการได้เปรียบการได้มากกันรบกันเองเราไปรบมาก็ปรากฏว่าเหลือสองคนไอ้สองคนนี่ยังโลภไม่หาย อย่างฤสยาไม่หายอย่างสนีไม่หายอย่างเห็นแก่ตัวไม่หายเลยต้องการจะเอาคนเดียวอยู่นั้นแหละความคิดมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ในที่สุดก็ต่างก็วางแผนให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาอาหารมารับประทานกันก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะฮะรบกันหมดแรงครับเรกินอาหารด้วยกันแล้วก็ไปกันก็แบ่งทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปด้วยกัน แต่ว่าต่างคนต่างก็คิดชั่วด้วยกันคนที่ไปนําอาหารมานั้นตัวเองก็ซื้ออาหารกินซะจนอิ่มเลยแล้วก็ซื้อมาฝากเพื่อนโดยเอายาพิษโรยใส่มาด้วยโดยคาดหวังว่าเมื่อเพื่อนกินอาหารที่ตัวเองโรยยาพิษใส่ไว้แล้วก็ตายเนี่ยตัวเองก็จะได้ทรัพย์สมบัติคนเดียวแต่คนที่คว้าทรัพย์สมบัติอยู่ค้ากองเกลื่นอยู่ก็คิดเหมือนกัน ว่าเมื่อเพื่อนมาถึงเราก็จะแอบซุ่มอยู่แล้วฆ่าเพื่อนให้ตายแล้วก็กินอาหารที่เพื่อนนำมาอิมแล้วเราก็ขนทรัพย์สมบัติกลับบ้านผลท้ายก็ตายทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งตายเพราะยาพิษคนหนึ่งตายเพราะเพื่อนแทงตายคนนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าอาการของกิเลสเนี่ย เวลามันเกิดแล้วมันหนุนเนื่องกันมาอย่างนี้เพราะงคนเราถ้าจะต้องการให้ดให้ให้ให้มีแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเนี่ยต้องเริ่มที่ธรรมก่อนถ้าไปคิดเอาทองแล้วในในที่สุดจิตใจซึ่งไม่มีคุณภาพดีพอมันจะแย่งทองกันแล้วก็จะฆ่ากันตัวอย่างเหล่านี้ดูที่ไหนก็ได้ มันเป็นอาการของความบกพร่องในด้านบารมีคือบารมีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ทานบารมีก็หย่อนศีลบารมีก็หย่อนเนคขมะก็หย่อนปัญญาก็หย่อนความเพียรก็หย่อนไม่หย่อนหมดเลยไม่มีกำลังพอที่จะคุ้มครองตัวเองให้สามารถหาจุดกลางในการประสานประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกันแต่ที่จริงถ้าดีกว่านั้นก็คือว่าไม่เป็นโจรปล้นไปเลย ย่งแต่ว่าเมื่อพลาดไปแล้วในมันควรจะหยุดไว้ในช่วงในช่วงหนึ่งก่อนเพื่อแม้เกิดความเลวร้ายจนเกินไปเพราะบารมีที่เป็นตัวค้ำยันอีกข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นอุปการะบารมีเหมือนกันนั่นก็คือขันติบารมีเราให้ทานก็ต้องมีขันติรักษาศีลยย่งต้องมีขันติมาก ในขมาเนี่เอาใหญ่เลยนะมีคันติแล้วก็การพัฒนาปัญญาต้องเพิ่มพูนคันติการใช้ความเพียรเนี่ยจะต้องมีความอดทนมากตัวนี้ก็เรียกว่าอิงอาศัยซึ่งกันแต่กันแต่ก็เป็นอุปการะบารมีคือเข้ามาสนับสนุนแต่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ย คือถ้าเราอ่านในาดกแล้วเป็นบารมีขันติบารมีภาคสนามคือหมายความว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แรงๆกับแทกแรงๆ แ, แล้วท่านก็อดการอดทนต่อสิ่งที่กระแทกต่อนั้นไว้ได้เมื่อเรามองโดยสรุปเนี่ยว่าขันติเนี่ยท่านใช้ในกรณีอะไรบ้างคนนี้เราโปรดสังเกตประการหนึ่งนะฮะบรัรพุทธเจ้าจะเทศแบบ ปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเดียวมาอธิบายทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วุติภาวะของผู้ฟังมีไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะพูดทุกๆในยะเพราะเรื่องมันจะยาวมากไปและแทนที่คนจะเกิดความสงบมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเลยไม่ได้อะไรเลยพเจ้าก็ทรงแสดงไว้โดยปริยายต่าง ท่านที่สนิสนทสนมท่านท่านที่คุ้นเคยกับตำราคำพีในพระพุทธศาสนาบางครั้งก็ได้ยินคงได้อ่านได้เห็นศัพท์เทคนิคทางศาสนาเนี่ยเช่นว่าตีติตขาขันติทิติขัน ต, ต, นติอธิวาสะนะขันติอะไรอะไรเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าขันตินี้ใช้ในอาการที่แตกต่างกันแต่เรากล่าวโดยสรุปแล้วก็ใช้ไปในสี่กรณีหลักน แต่ไม่ใช่ใช้ไปเลยมันจะต้องมีปัญญาในการตรวจสอบพิจารนาว่าตรงเนี้ทำยังไงดีคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียตำเรินงทองมันก็ไม่พูดจะดีกว่าแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันได้กระมึงทองมันก็พูดดีกว่า จึงต้องดูที่ที่สิ่งซึ่งเรากำลังชเผชิญอยู่เนี่ยว่าทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ได้บ้างจะในกรณีของความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายอากาศหนาวจัดร้อนจัดลมพัดน้ําหลากฝนตกเกิดพายุเกิดไต้ฝุน่นเกิดลมหมุนอะไรก็ตามเนี่ยหมายความว่ามันเป็นความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ เราอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติเราก็เป็นหน่วยย่อยของธรรมชาติในสถานการณ์อย่างนั้นไม่มีอะไรอื่นดียิ่งไปกว่าการอดทนแล้วก็อยู่ให้ได้ซึ่งบางช่วงเนี่ยอาจจะทนอดนะทนอดไปด้วยอดทนไปด้วยทนทานด้วยนะหมายความว่าต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวรักษาสาชีวิตไว้ในภาวะวิกฤตตรงนั้นให้ได้ทั้งความลองสังเกตอะ สมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นใช้ขันติข้อเดียวหรือเปล่าก็เปล่าใช้ปัญญาด้วยใช้วิริยะด้วยใช้ทิษฐานด้วยใช้อุเบกขาด้วยคือเกือบหมดนะใช่โดยเฉพาะเรื่องปัญญาเนี่ยปัญญาจะเป็นหลักมากเช่นสมมติว่ามันมีใต้ฝุ่นมาแรงมากแล้เราก็อยู่ตรงนั้นพอ ด, ดี เห็นว่าปัญญาเนี่ยจะต้องมา ก, ก่อนจะต้องมีการวินิจฉัยตรวจตรวจสอบว่าจะทำยังไงจึงจะรอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นผลบารมีเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะโดดเดียวทุกครั้งเนี่ยไม่มีหรอกที่โดดเดียวมาเลยเนยเียงแต่ว่าอะไรเป็นบารมีหลักตรงนั้นอะไรเป็นอุปการะบารมีแถวนี้คติประการหนึ่งที่ต้องใช้มากก็คือว่า ชีวิตร่างกายของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคนิทังคือเป็นร่ังของโรคแล้วก็ประพังกุหนังคือมีความเปื่อยเน่าแตกดับไปเป็นธรรมดาเราต้องเผชิญกับปัญหาหลักๆอย่างเบาๆเนี่ยราจจะเห็นว่าเจ็ดข้อเนี่ยทุกวันเนี่ยวันลงหลายครั้งด้วยหนาวร้อนหิวกระหาย ปวดอุจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็แถมแก่เจ็บตายกาไปเอาเฉพาะเจ็ดข้อแรกนะมันเป็นทุกเงืองนิดทุกประจั่เอาสักอย่างน้นก็ยุ่งแล้วนะเช่นสมมุติว่าคนที่มีปัญหาในช่องท้องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอย่างเดียวก็แย่แล้วยุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มัน มันเราหีกนีไม่ได้มันก็ต้องอดการอดทนเอาแต่ไม่ใช่ทนโดยไม่พยายามบันเทานะเพราะโรคเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็แสดงไ ว, ว้มีสามประเภทประเภทหนึ่งต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายประเภทหนึ่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็หาย ประเภทหนึ่งจะรักษาอย่างไงก็ตามดียังไงก็ตามก็ตายคือไม่มีทางรอดโรคอย่างหนึ่งโรคอย่างเนี้โรคโรคประเภทเนี้โรคอาจจะเกิดแต่กรรมอย่างหนึ่งหรือว่ากรรมเข้ามาตัดรอนชีวิตกับการเด่กพวกหมดอายุนะตายไปหมดอายุก็ เ, เรียกกาลมาณะเกิดถึงคราวที่จะต้องตาย แ่ยามเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ก็ต้องอดกาันอดทนเต็มตามกำลังความสามารถของเราประการต่อไปก็คือเรื่องการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานเมื่อล้าบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้นอดทนท น, นอดสูงมาก ก่อน ก, ก็มีคนมาพูดก็บอกว่าเห็นพระบางองค์ทํางานนะแล้วก็เหนื่อยแทนามาก็บอกว่าจริงจริงนะคือถ้าพระที่ทํางานจริงๆกับโยมที่ทํางานจริงๆเิงนี่ยพระทํางานหนักกว่าแล้วก็พระจะเหนื่อยกว่าเพราะพระกินอาหารเย็นไม่ได้อาหารน้อยแต่ทางานมากแล้วงานของพระเนี่ยไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรคือทําจนเหนื่อย จน ง, ง่วงหลับไปพวกที่ทำงานจริงๆนะะพวกไม่ทำงานจริงๆก็สบายเหมือนกันนะแต่างานเหล่านี้ไม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าอดทนเอาเพราะเราต้องการจะทำยัางงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยดัก่อนไปพบกับลูกศิษย์ต่างจังหวัดก็จัดกิจกรรมอย่างนึกชื่นชมเขานะฮะเขา เขามาพัฒนาวัดนั้นอยู่ยี่สิบปีเนี่ยเขาบวชจัดบวชชีพรามไม่โกนผมบวชชีไม่ปรงผมเนี่ยฮะแล้วรักษาศีลศีลแปดถึงเจ็ดสิบสามครั้งบางครั้งนี่คนเป็นพันพันแต่ยังน้อยก็สี่ห้าร้อยเนี่ยได้ ท, ทุกครั้งแล้วก็ตอนกลับเขาออกมาตรงก็ถามว่าตอนเนี้ยออกรายการวิทยุอยู่วันอย่างเท่าไหร่ เขาบอกว่าวั น, นสรุปแล้วก็แปดชั่วโมงแต่เรานึกดูคนพูดอยู่แปดชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เป็นงานที่เราต้องทำอ่ะแล้วการทำงานตรงนี้บางแห่งนะเขาจะมีการเรียรงุงเร้ยรรอะไรอะไรกันแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ไรคือทำอยังไงให้ทำไปได้ก็ทำไป เพราะเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักมันต้องหาค่าสถานีมันต้องพยายามทำงานแล้วต้องอานเทไปอะไรแต่อไรเนี่ยแต่ว่าคนทำจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยช่วยงานประสาทดทาหรือหมายความมาทาตัวเป็นเด็กรับใช้พระรัตนตรัยที่ซื่อสัตย์ก็เป็นความสุขใจความภาคภูมิใจพอแล้ว มันจะหนักมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยอะไรก็ตามนะแต่เราเทียบเคียงแล้วพระพุทธเจ้าเหนื่อยกว่าเราแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีอุปาทานยติดในเรื่องความเหนื่อยตันเองนะเวทนาทุกเวทนาเมื่อเกิดเยอะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคราวนี่เจ็ดวันไม่ได้ลงพระบงังโคดัคือไม่ถ่ายเพื่องายไม่ถ่ายเลยเพราะอะไรเพราะจังหวะไม่ให้อะ่ะคนเข้าเฝ้ากันวุ่นวายไปหมด คนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกเพื่อนยังเข้าไปแล้วยังไม่ออกไปสมทบก็ไปอีกอ่าวก็กลุ่มกลุ่มก่อนออกมากลุ่มใหม่ก็เข้าไปต่ออะไรจะหมุนก็เดัวอย่างเงี้ยหมอชีวกต้องถวายพระโอสถพิเศษให้เกิดการระบายบอกว่าระบายทั้งสามสิบกว่าครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทํางานตรงเนี้ที่จริงคนเหน็ดเหนื่อย พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งก่อนตอนปรงประชุดมายุสังขารแน่ว่าสรีระกายของพระองค์เวนี้มันเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมแซมโดยไม่ไผ่ไม่ใช่ทัพป่าสามารับเกวียนที่จะแบกของหนักได้ต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรเพราะทรงทํางานหนักมากนะห้าสิบเอ็ดปีอย่าลืมนะห1สิบเอ็ดปีไม่ใช่สี่สิบ้าปีนะตอนสแสวงหาทางคนา้นคว้านี่เรียกว่าเกือบเป็นเกือบตาย อดทนกันขนาดไหนว่าแต่และเรื่องเนี่ยเกิดมาเคยอ่านที่จริงพยายามอ่านให้จบแต่อ่านไม่จบคือมันรู้สึกสะทกสะทอนรู้สึกไม่ค่อยสบายพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการบาเพ็ญทุกขกรกริยาของพระองค์ไว้ในมหาเสนาจะสูตรเล่าละเอียดมากเราอ่านแล้วบางทีก็สะลดว่าสงสารพระพุทธเจ้าเหลือเกินวา ว่าจะค้นคว้าหาธรรมะมาเผยแผ่แกเราได้เนี่ยแม่ก็เกือบตายนะแล้วก็ต้องอดกั้นอดทนทุกเรื่องเนี่ยต้องอดทนสุดๆแค่นั้นแหละอันนี้คือการทํางานงานทุกเรื่องเนี่ยไม่มีงานอะไรที่สบายสบาและงานมาปีกเครื่องเกี่ยวข้องกับคนด้วยเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆมันมีเยอะอย่างในปัจจุบันนี่ าการอดกั้นอดทนจึงถือว่าเป็นฐานหลักสําคัญแล้วที่ถือว่าสุดๆดเนี่ยเพราะที่น่าสังเกตว่าในตําราที่เราเรียนเนี่ยมักจะพูดถึงอดทนเวลาคนอื่นทําให้เราโกรธแต่ถ้าเราดูโดยปริยายในที่ต่างๆเนี่ยการอดทนที่ยากมันอดทนที่การมาราคะกัลยาภะ มายความว่ามีลักษณะยั่วยวนมาจากเรื่องต่อนี้แล้วจะทนได้ยากก็สรุปว่าอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดรักเกิดชังเนี่ยจิตใจก็มุคคลจะอ่อนไหวไปได้ย่างไง่ายดัน้คนเราเนี่ยจะต้องอดทนสูงเป็นพิเศษ บางครั้งมันมีลักษณะยุ่ยยวนด้วยวิธีการต่างๆของกลุ่มผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเนี่ยะถ้าจิตใจเราอ่อนแอไปมันก็ไปไม่ได้ก็ไปไม่รอดเราจะต้องอดกลั้นอดทนในเรื่องเหล่านี้และอดทนอย่างหนักด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์บางเรื่องที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งคือสร้างมาโดยเฉพาะเลย ต้องการที่จะทำลายนะจะทำลายคนใดคนหนึ่งอาจจะส่งเงินจำนวนมหาศาลมาอาจจะมีการข่มขู่คุกคามมาอาจจะล่อดโดยผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันทำให้คนตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากรืดไม่เข้าขายไม่ออก เช่นสมมติว่าเขาต้องการให้เราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาซึ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อเราทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จับญาติพี่น้องของเราไปเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้เราทํำทาไม่ทําก็จะฆ่าญาติพี่น้องของเราบ้างตัดนิ้วตัดมือส่งมาให้ดูบ้างอย่างวิธีการ ต, าต่างๆเพราะตรงนี้ยิ่งอดทนอดกลั้นได้สูง และภาคสนามทั้งอดทนทั้งสี่เรื่องเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านจะอดทนสูงหมดคือในโอกาสต่อไปนะฮะก็คงจะไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนักก็อยากจะนำตัวอย่างแต่ไม่ใช่เอาทศชาตินะทศชาติเป็นยาวเลยกันคือจะเอาตัวอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละชาติเนี่ย เน้นไปที่บา ร, รมีข้อใดข้อหนึ่งมันมันจะเป็นภาคสนามคือหมายความมาภาคใช้งานแทบทั้งหมดเปิ้นขันติความอดกลัน้นความอดทนเนี่ยมันจึงเป็นบา ร, รมีธรรมด้วยตัวของมันเองแล้วก็อุปการะในการบำเพ็ญบา ร, รมีข้ออื่นๆหมายความเราจะทำอะไรก็ตามถ้าขาดคันติแล้วก็ไปไปได้ยาก คันติจึงเป็นพื้นฐานประกอบกับความเพียรประกอบกับสติประกอบกับสัมปชัญญะประกอบกับอธิษฐานหรือสัตยาธิฐานหรือสัจจาธิษฐานหรือสัจจะที่เราตั้งไว้เนี่ยแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยความเพื่อไปคันติเข้าเข้าเข้าสนับสนุนด้วยกันทั้งนั้นทั้งฝั่งทั้งหลาย ใตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไผ่บุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี